กลายเป็นวิสุทธิจิตขึ้นมาแทนที่ในขณะเดียวกันถับอบวิชาขาดสะบั้นหันแหลกแต่กระจายหายซากลงไปด้วยอำนาจสติปัญญาที่เกรียงไกรขณะที่นิ้นฟ้าถล่ม โลกกธาดวันไหวโลกกะธาดภายในสแสดงมหาสัรร์บั้นสุดท้ายปลายแดนระหว่างสมมุติกับวิมุติตัดสินความบนสารสถิตยุติธรรมโดยวิมุดติยานทัศน์เป็นผู้ตัดสินคู่ความโดยฝ่ายมัชชิมาปฏิปทามักคะริยสัตเป็นฝ่ายชนะโดยสิ้นเชิงฝ่ายสมุไทยอริยสัต เป็นฝ่ายแพ้น็อกแบบหามลงเปลไม่มีทางฟื้นตัวตลอดอนันตการสิ้นสุดลงแล้วเจ้าตัวเกิดความอัศจรรย์ล้นโลกอุทานออกมาว่าโอ้โหโอ้โหอัศจรรย์หนออัศจรรย์หนอแต่ก่อนทำนี้อยู่ที่ไหน